พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่4พฤษภาคม2560มีชื่อเรื่องว่าเกิดมามีโชคอย่าทิ้งโชคตัวเอง เอาจอ น, นไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร ล, ละพรนั่นลูกหลานนะหลวงพ่อบอกนี้ไม่แต่บอกภาษาไทยมาหลายมือนะมาบาดได้กระบอกจะภาษาไทยสี่บอกภาษาบ้านเท่าะบัเมือนี้นะเมื่อเนี่ยเป็นวันที่ีพุทธภาคมคพุทธศักราช2560้อเมื่อเนี่ยเจ้าภาพคือองค์อูพงเจริญ อ, อ, อ, อูพงเจริญเซอร์วิสเอออูพงเจริญเซอร์วิสนี่ม่อนคู่บาอาจารย์มีหลวงปู่อุทยหลวงพ่ออินถวายนาคําหน่อยหลวงพ่อชาลีแล้วก็คู่บาอาจารย์เนี่ยโคกสาคอนหลวงพ่อนิยมนี่มีหลายองค์เก้าองค์ี่มาฉันพรทหารสวดพระปริตะมงคลเพื่อเป็นลิเพื่อเป็นมงคลของ อ, อ, อูของเฮ้างานของเฮ้าแล้วก็ปีน้อง เชาวนาโสมมีท่านนายอำเภ อ, เ อ, อนําโสมเป็นมาจุดถูกเทียนและกัพี่น้องหัวนาส่วนราชการกันหลายหน่วยและกัพี่น้องชาติตลาดนามโสมนาโสมหล่นลามไม่ไสาบาทเมื่อนี่อาหารการบริโภคหรือเสือกว่าอุดมสมบูรณ์อำเภอนาโสมแล้บอเคยแผ่ไพนะ่แะตรงพอมาไปไหลายๆอำเภอนะออพี่น้องอำเภอนําโสมนี่ เป็นอำเภอที่อุดมสมบูรณ์ด้วยจิตรัท tha ด้วยน้ำใจเมื่อนี่ก็บแพรข้าวกลกรขลังกลงกรยังอุดมสมบูรณ์ยังคงเส้นคงว่าเมื่อเนีถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลเมื่อหนึ่งที่เจ้าภาพเปรเชิดเชินปีนองประชาชนนิบ่นคู่บาอาจารย์วนาส่วนราชการในมาร่วมกัน ถ้ eremiah, ำบุญขืนบ้านใไม่ตามไม่จริงทำบุญอูถ้ำบ hmm. ุญข hmm. ืนบ้านใหม่เพื่อเป็นชลิเพื่อเป็นมงคลของบ้านเพื่อเป็นชริมงคลของอูแล้วก็ขอให้อูของเข้าหรือบ้านของเข้าร่มเย็นเป็นซุกยูเย็นเป็นซุขหน้าสุกกายสุกใจทุกคนแล้วก็อูของเขาก็ขอให้เจริญอยังพงเจริญอย่างทีวานั่นแหละแล้วก็พร้อมกันพี่น้องประชาชนทุกมูทุกเรา ที่มารวมกันเ็าให้สร้างบุญสร้างกุศลเนี่พี่น้องลูกหลานทุกขู่ทุกคนพวกเขานาวชโชคดีเกิดมาในผืนแผ่นดินเมืองไทยและก็พร้อมกันอยู่ในเขตท้องเพื่อนำสมแถบแถบนี่แถวบันผืนนายุง่งเออเป็นคู่บาอาจารย์ร้สึกว่าจุตามปานหล่งพ่งไพ่ก็เป็นคู่บาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติตีปฏิบัติชอบอยู่ในรักพระธรรมวิ น, นัย แล้วก็ผวกเข้ากนาา็นว่าเป็นพุทธศาจเนกชนที่ดีก็พรมการกให้เชื่อฟังศึกษาในหลักธรรมคั้มสอนของพุทธพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ต, นต้นตระกูลของผู้เข้าเนรหลงปูเทศเนี่ยเป็นปูใหญ่ปูเจดปูจันสมแล้วก็ปูหละเคยมาอยู่ในที่นี่แถบนี่ล้วนแล้วจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระมาจารย์ที่พวกเข้ารักขรลนับถือเหลือ่อมใส่ แล้วก็เป็นปฏิปทาที่ที่พวกเข้าไว้เนื้อเชื่อใจใดตายใจใดกับพ่อแม่คูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นพอกพวกคูบาอาจารย์พวกลูกพวกหลานก็ะซืบท อ, อดกันมากกระืบทอดกันมากจากพ่อแม่คูบาอาจารย์หลุนเกา่าเพราะนั้นพวกเข้าถือว่าเป็นผู้โชคดีเป็นทา ย, ยาทของพระพุทธศาสนาขอให้พวกเข้าตังอกตังใจนะให้ตังตนไว้ชอบนะ อัตตสัมมาปณิธิอย่างที่ลงพอพูดนะปฏิโลกประเทศสว่าโซจาปุ๊กเพศยะกตะปุญญัตาอัตตสัมมาปณิธิเข่าตำรับตำราที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้พูดได้กล่าวไว้เพิ่นว่าปฏิโลกประเทศน็คือผวกเข้าเกิดในในทิ่นี่เป็นประเทศที่ว่าบอท่ารุ่นมากดินหน่มดินฝ่าอากาศแผ่นดินบอไว เอบอบอ่อห่อนบ่อหนาวจนทําไม่พวกเข้าล่มหายตายจากแต่มีแต่ความเดือดร้อนสักน้อยแต่ตอนเดือนพฤจิการในน้ำถั่วหวัดลงพอเสียหายไปว่าพอสมควรว่าน้ำถั่วหวัดอันนี้ก็คือถ้ามาชาติก็ว่าเด็กเบียดเบียนเขาจนเกินไปพวกเขาก็อยู่แบบสบายๆนยี่ว่าปฏิโลปปะเทศสว่าโซ่จัดข่าวน้ำโภชนะอาหารก็พ่อเป็นไปบดถึกบดเดือดร้อน ปุ๊เพศจากกระตปุลจะตาพวกเข้าเครือคือจะได้ทําบุญไว้ในอดีตชาตินะ่ะผัวเข้าในมาทําบุญจังมือนี่แล้วเรื่อนไปทําบุญในะมองไดห้ากรตั้งจิตอธิษฐานสาธุเนอผู้ข่าเกิดมาพบใจชาติใดคําว่าอดอยากย่าไดมีคําว่าธรรมชาติเบียดเบียนร่างแก่กายะไดมีคอยข้าไปเจ้าเกิดมาในภพนั่นขอให้พบบัณฑิตนักป่าดย่าได้พบผ้าละชนที่เบียดเบียน เอซึ่งกันละกันขอให้มีความร่มเย็นเป็นสุกในสถานที่ครับไปเจ้าเกิดอันนี้เข้าคฤิปาฏินาริยไวในอดีตชาติเท่าจะได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินเอในแรงทีบอมมี่การที่จะทำให้ตนเองเดือดร้อนเอการการทำมหาเลงชีพกับธรรมดาอดเงินเงินมันก็อดอยู่ได้แต่ว่าข่าวร่ามโภชนอาหารเข้าสะแสวงหาได้บ่ถึงกับขาดแค้นอันนี้แหละบอ เป็นประเทศเทวะอุรรมสมบูรณ์ปฏิรูประเทศสวะโซจะปุพเพศจะคือพวกเข้าได้ตั้งคิดอธิษฐานไว้ในอดีตอัตตสัมมาปณิทีเนี่ยจุดนี่สําคัญนะพี่น้องลูกหลานนะอัตตสัมมาปณิทีจะเนี่ยให้ใครกับว่าเข้าเกิดมาในพืชแผ่นดินจุดนี้แล้วนะพวกเข้าจะไปเหตุความสัวความสัวคิดสัวท่าสัวพูดสัวไหนะจะไปหาเหตุกันเทว่าคิดสัวท่าสัวพูดสัวนะ คิดซัวอย่างนี้คิดเบียดเบียนผู้อื่นคิดพยาบาทปองไล่ผู้อื่นเห็นพิษจากท้ำน่องคองถ้ำถ้ำดีปฏิทินถ้ำซัวปฏิทวนนรกสวรรค์บ่หมีตายแล้วศูนย์นี่อันนี้แปลว่าคิดซัวอะไรได้นี่นะเราว่าคิดซัวและถ้ำซัวคืออย่ ง, งคือถ้ำซัวขาผู้อื่นขโมยผู้อื่นบ่ขารพสิทธิ์ในสามีภรรยาผู้อื่นขี่ตัวผู้อื่นกินเหล่าเม้าหัวล่านาบยอะตลอดอันนี้แปลว่าถ้ำซัวนี พูดซัวกันนะพูดเท็จพูดซอเสียดพูดค้ามหยาพูดเพ้อเจอพูดหาสระประโยชน์ว่าอไรยุแย่งให้ผู้อื่นแตกแยกสามัคคีกันนี่พูดชัวนะคิดซัวเป็นอย่างไรคิดลบอยากจะได้ของเขาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดทำซัวคือยังคือผมมีศีลหา่มมีศีลสี่ข้อแล้วกัพูดชัวคือยังพูดดูแยงให้เขาแตกกันบ่ห้เป็นพูดที่ว่เป็นม้งข้นการพูดใส่วัจญาที่ว่เป็นมงค้น นี่แหละอันนี้แปลว่าพูดซัวยาคิดยาคิดซัวทำซัวพูดซัวเนาะที่เขามากเกิดในยุคนี้สมัยนี้คิดดีทำดีพูดดีมีแต่ความเจริญลูกหลานก็นั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายประกอบสัมมาชีพประกอบสัมมาชีพสา ม, มารถนี่แหละการชดแสวงหาทรัพย์อย่าไปป่นอย่าไปคดอย่าไปโกงเขาอันนี้แปลว่าสัมมาชีพมิตรชาชีพคนน่ะ เศทษฐีมั่นบอดีอะไรมากโดยสิ่งที่มั่นบอดีมิตรฉาชีพอาชีพที่มั่นบอดีขายยาบ้ายามากันซายาฟินอันนี้ประว่ามิตรฉาชีพเพราะนั้นให้พวกเข้าเป็นสำมาชีพประกอบคุณงามความดีนั่นแหละจากนั้นก็พอถึงลอยปีระบาดต่างคนต่างไปแล้วลุกลานนะต่างคนต่างไปหลวงพ่อก็จะไปคล่องทางหลวงพ่อขึ้นกันพวกเข้าลุกลานคือคุกคนขึ้นกัน บอมเเม่บอเ ม, บอ เ, มบอเม่ปวดได้สีอยู่ส่วฝ่าดินสไลด์เด๊ะมันมีจุดจบของพวกเข้าคือกันเห็นบ่อนหลวงของเขานะเพิ่นรับผิดชอบขนาดไหนอีกสักมือหนึ่งเพิ่นกระตองถิ่มทั้งบัดคือกันอันนี้พวกเข้าเป็นไผ่เข้าชิบวัถิ่มว่ดเขาควรจะประกอบคุ้นง่ามความดีเพราะในรักของพทธศาสนา พ, พ่อแม่คู่บ่ายจาร์ลงปูลงตาถามห่อสิลงปูเทศสมัยลงพออยู่เพิ่นยืนยันเด๊ ในประวัติของเพิินเพลินกระ บ, บอกว่าตายเราบรสูทนิ์นตายเราเกิดอีกนะหลูกหลานเนี่บาปปุ่นคุ้นโทษมีน่นรกสวรรค์มีสิ่งที่มัน่นชัวยาเหตดเดอ้อยาคิดอยาทำในสิ่งที่มั่นสัวได้เมื่อเฮาเหตุความสัวลงไปแล้วความสัวตัว น, นั้นล่ะมั่นจะตามสนองเข้าทุกอบทุกชาตินะอย่างพโมกขลานะ่ยาพอขาแม่ชาติเดียวเท่านั้นล่ะต่อมากถือขาถือขาถือ ข, า, ขาจนมาเป็นพระอรหันต์ เพราะเหินเตือนฝ่าใดกันบันนี้จักกรรมพบพ บ, บผกรรมขึ้นเรากรรมกึ้นอะไคือกรรมเรบขาพอกระพแม่ไวเนอดีแ ต, ต่ชาติพลที่พุทธมาชาตินี่พระโมกข์ก็ล่าถือขาเนี่พะอะไรเพราะกรรมตามสนองกรรมชั่วอย่าทําเฉยเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั้นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ให้ลูกหลานทั้งหลายฟังเอาไว้เน้อศึกษาไว้เน้ออันนี้คือหลักของพุท ธ, ธศาสนา อตอนนี้ไปพระสงฆ์จ้าอนุโมทนาให้พรรับพรนบนัีิเน้อนะ